Book 2 6ห68ใหญ่เล็กใหญ่และเล็กช้างตัวใหญ่ ใหเวลกีหนูตัวเล็กมิชเยมาลามืดและสว่างตรรมวีอสวิเอตลีตอนกลางคืนมืดนอตเยตมาวาตอนกลางวันสว่างเดนเยสวิเอตลีแก่ชลา หนุ่มสาวสตาร์อมลดีคุณปู่คุณตาของเราแก่มากนาชีเดะเย่เวิลนี่สตาร์รี่เจ็ดสปีที่แล้วท่านยังหนุ่มเจ็ดสิบปีที่ล้ท่นยังนุมสวยและน่าเกลียด ผีเสื้อสวยมอติลเยเฮสกีแมงมุมน่าเกลียดพาว o ก์เยอชกลิวีอ้วนและผอมทลุสตีอฮูบนีผู้หญิงที่หนักหนึ่งร้อยกิโลอ้วนสตกิโลวาเจนาเทลุสตาผู้ชายที่หนักห้าสิบกิโลผอม 50 kilový muž je hubený. Plný a tlou. Drahý a levný. Rost láka p Auto je drahé. Někdo pím láka tlou. Noviny jsou levné.